ตัวจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเป็นโสตทำไมและทำไมต้องเป็นโสตโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่24เมษายน2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี คนเรานี่ถ้าไม่คนไหนก็นแล้วแต่ถ้าไม่มีสุนทรีในหัวใจคนนั้นนี่ยากจะคบหาก็ยากจะพัฒนาก็ยากจะให้สร้างสรรยิ่งยากใหญ่เลยคนที่ไม่มีสุนทรีในหัวใจเนี่ยมันมีแต่จะจมมีแต่จะจมจมจ ม, มีแต่จะ ฟอมีแต่จะเข้ามาในพบเข้ามาในความเป็นตัวของตัวเรียกว่าท่าภาษาพระเรียกว่าอัตตาเข้ามาในส่วนที่เป็นตนตัวเองพอใจอะไรอยู่ในพบที่ไม่ได้เรื่องได้ราวนะเพราะงั้นคนเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นเป็นอารมณ์หรือเป็นความความความเห็นของตนเองมันมีความเห็นของตนเองอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่อุปทานคือความยึดถืออย่างนั้นมันก็เลยทําตนเป็นอย่างนั้นถ้าคนที่ทําตนเป็นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ย หมดทางแก้เลยถ้าเปิดว่าไม่พยายามรับฟังแล้วแก้ไขปรับปรุงตนเองขึ้นมาสู่ความจริงความจริงคนเป็นคนเป็นสัตว์โคลงเป็นสัตว์มีหมู่มีกลุ่มมีเพื่อนมีฝูงมีคณะอยู่รวมกันเป็นโคลงไม่ใช่โคลงเล็กๆนะอาจจะเล็กก็่าโคลงปลวกโคลงมดโคลงมดโคลงปลวกนี่มันใหญ่จริงๆมันมีกันเป็น โ, โหอยู่กันเป็นหมู่หมู่แน่นเป็นหมู่มวลมันไม่ค่อยจะจากพลากกรนะ โขลงมดโขลงปลวกเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นหมู่ตลอดกาลนานพึ่งเป็นต้นอย่างนี้คนก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันคือสัตว์ประเภทโขลงอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่เป็นสัตว์ประเภทเดียวปีกเดียวเลยไม่ตัวใครตัวมันจริงๆมันไม่ใช่แน่ๆสองแม้แต่อยู่เป็นกลุ่มเล็กโขลงเล็กๆเหมือนพวกกลุ่มโขลงเสือโขลงองัวควายอะไรต่างๆนานานะมันก็เป็นกลุ่มเล็กนะ อย่างเสืองูวควายพวกนี้มันเป็นโครลงเหมือนกันนะแต่โคลงเล็กกลุ่มเล็กๆอย่งเสือเราเห็นชัดเจนเลยมีพ่อแม่ลูกอะไรมันอยู่แค่นั้นแนหะมันเสือสองตัวอยู่ด้วยกันยังไม่ได้เลยพอเสือสองตัวอยู่ด้วยกันยังไม่ได้โคลงเล็กนะงวยังโตวกว่า น, นั่นหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นโคลงใหญ่มากเหมือนกับมดปลวกที่กล่าวแล้วแต่คนนี่ไล่เลี่ยไร่ลเลี่ยอยู่ในระหว่างที่โคลงขอ ง, ของมดของปลวกทีเดียว นะยิ่งทุกวันนี้เขายิ่งเห็นความสําคัญจึงพยายามรวบรวมกันอยู่มีนโยบายมีวิธีที่จะอยู่รวมกันนะอยู่รวมกันให้ดีอยู่รวมกันให้เป็นสุขอยู่รวมกันอย่างสร้างสรรค์อยู่รวมกันอย่างอบอุ่นที่พูดมานี้มคงไม่มีใครขัดแยง้งนะคงเห็นด้วยทั้งนั้นนะทีนี้ชื่อเรื่องวันนี้ให้อตมาเทศเรื่อง เป็นโสตทาไมหรือทำไมต้องเป็นโสตเป็นโสตทาไมเออเป็นคำถามอาตมาขึ้นเรื่องโดยความรวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นโคลงใหญ่มันไม่เห็นจะเดียวเดี่ยวสดๆเลยเนาะแต่ทำไมจะต้องมาเทศเรื่องโสตเป็นโสตทาไมมันซอนนะโดยสัจจะความจริงแล้วนี่นะ เรื่องที่จะต้องแพร่พันธุ์เรื่องที่จะต้องสร้างตระกูลหรือว่าสร้างเผ่าพันธุ์สืบทอดเผ่าพันธุ์มันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอ่ามันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติของมันละมันก็มีเป็นมีอยู่ทีนี้คนที่สร้างเผ่าพันธุ์หรือว่าคนที่จะสืบตระกูลที่จะต่อเชื้อต่อเผ่าต่อพันธุ์อยู่นั่นน่ะคนก็เหมือนกับสัตว์ทุกๆประเภทก็ต้องต่อเชื้อต่อเผ่าต่อพันธุ์ สัตว์เลี้ยงช้างทุกตัวแล้วต่อเผ่าต่อพันุ์เป็นไม่ต้องไปสอนมันหรอกมันมีสัญชาตญาณไม่ต้องไปไม่ไม่เคยเรียนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแต่คนเนี่ยยอดฉลาดนึกว่าตัวเองยอดฉลาดแล้วก็มีปัญหาเรื่องจะต้องเรียนเรื่องสืบพันธุ์เผ่าพันุ์เรื่องเพศซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมันไม่มีใครเรียนเรื่องเพศแล้วมันก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเพศ แต่คนนี้มันจอมปัญห า, าที่มันเป็นจอมปัญหาเพราะเหตุว่ามันมีจิตวิญญาณผนวกกิเลสแลวกิเลสเลนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องยุ่งยุ่งมากมายจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องสร้างอุปทานสร้างรถสร้างชาติขึ้นมาไม่ใช่สืบพันต่อพันเท่านั้นกลายเป็นเรื่องเสพเป็นเรื่องสมมตุติเป็นเรื่องหลอกกันจนกระทั่งให้เห็นว่ามันเป็นความสุข ถ้าได้สืบพันได้มีเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นความสุขซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีขอยืนยันว่าไม่มีสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่าการหมดกามหมดอารมณ์กามหมดราคะนั้นเป็นจริงพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วท่านก็พ้นกามพระอรหันต์เจ้าพระอริยเจ้าในระดับอนาคามีพ้นกามแล้วถ้าเราเรียนธรรมมาบ้างนะ พระอนาคามีคุณธรรมถึงอนาคามีพ้นลกามไม่มีอารมณ์ไม่มีรสกามไม่มีความอร่อยแบบกามกามที่มันมันเสพแล้วก็อร่อยสปัดเสียสีเป็นอะไรแล้วก็มีจุดสุดยอดอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆนาะนาเนี่ยเป็นเรื่องของความหลอกไม่ใช่ความจริงที่เป็นรสอร่อยเนะี่ยเป็นความหลอกนะพวกเราฟังไปสักก่อนนะอย่าพึ่งเถียงนะอย่าพึ่งเถียงในใจนะ เทียงไปก็เถียงสู้อา ต, ตมาไม่ได้หรอกเพราะว่าอาตมาผ่านอย่างที่คุณเป็นมาแล้วแล้วก็อาตมาก็มาถึงขั้นทเทราวาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอาตมาก็รู้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอาตมารู้ทั้งสองอย่างเถียงยังไงก็สู้อาตมาไม่ได้คุณรู้อย่างเดียวคูณเถียงไม่ได้อย่างคุณรู้อาตมารู้นะรู้อย่างนั้นนะ่ะเป็นอย่างนั้นนะ่ะเข้าใจผ่านมาแล้วแน่นอนนะแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเป็นชาติเดียวมันเป็นกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วไอ้อย่างที่เป็นกันนะนะ ส่วนคนที่จะบรรลุหรือว่าคนที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปจกกนกระทั่งไม่มีกามไม่มีรสกามมันหายากมันเป็นได้ยากเป็นสัจธรรมชั้นสูงฟังให้ดีตรงนี้คนเราก็เป็นสัตว์โลกที่จะต้องมีสืบพันธ์ต่อเผ่าต่อพันธ์การสืบเผ่าต่อพันธ์มันไม่ใช่เกมกรรมมันไม่ใช่การเสรีรส มันเป็นการเหน็ดเหนื่อยมันเป็นการต้องลงทุนมันเป็นการจ่ายแคลอรี่มันเปน็นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องอร่อยอร่อยแต่คนมามาหลอกกันมันสร้างกิเลสหลอกกันจริงมันมีปฏิกิริยาของร่างกายหรือปฏิกิริยาของเซลล์หรือของปฏิกิริยาของสิ่งที่กระตุ้นสมองเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นแหละว่าจะต้องสืบเผ่าต่อพันไว้ แม่สัตว์บางชนิดนี่นะมันสืบพันธุ์นี่มันทรมานจะเห็นได้สัตว์บางประเภทถ้าใครเรียนชีววิทยามาบ้างสัตว์บางประเภทสืบเผ่าสืบพันธุ์เนี่ยสืบอย่างทรมานแต่มันก็จะต้องสืบเผ่าต่อพันธุ์เพราะมันมีสัญชาตญาณอย่างนั้นพอถึงเวลาถึงความควรมันก็กระตุ้นให้เซลล์ให้ประสาทให้ต่อมให้อะไรอะไรทํางานเพื่อที่จะสืบพันธุ์เพราะจะเห็นได้ว่าสัตว์นี่มีฤดูกาล มีฤดูการที่จะสืบพันธ์ต่อเผาต่อพันธ์เป็นหน้าที่เท่านั้นไม่ใช่เรื่องของความอร่อยไม่ถึงความสุขความมันเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำต้องพยายามต้องกระทําด้วยความพยายามด้วยซ้ํานี่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นความจริงจริงๆนั้นมันต้องลงทุนลงแรงสรุปแรกก็คือต้องลงทุนลงแรงนี่ต้องเสียแคลอรี่เนี่ยถ้าไม่มีผลตอบแทนคนเขาก็ไม่ทํำจ่ายแคลอรี่ประปล่าวก็คนโง่เท่านั้นเองถ้าจ่ายแคลอรี่แล้วมีผลดี เกิดคุณค่าเกิดสิ่งที่จะเกิดตามมาเป็นผลดีเป็นของดีเราก็ควรลงทุนใช่ไหเพราะเราแยกแยะให้ดีว่าการสืบพันธุ์กับเสพกามเนี่ยเสพรถกามนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่มันอยู่ในพฤติกรรมเดียวกันมันคนละเรื่องกันแต่มันอยู่ในพฤติกรรมเดียวกันเพราะการเสพกามทุกวันนี้เนี่ยมันเฟื่องฟูจนไม่เข้าใจการสืบพันธุ์ทิ้งเลย รู้เหมือนกันว่ามันมีผลสืบพันธุ์แต่เสร็จแล้วคนแต่งงานกันกลับไม่ใช่สืบพันธุ์คุมกําเนิดไม่ต่อเพ่าต่อพันธุ์แต่เขาแต่งงานกันเพื่อเสพรถกรามน่าอายน่าอายการเสพรถกรามนี่น่าอายจึงทําในที่ปกปิดซ่อนเร้นน่าอายเป็นยิ่งเป็นอารมณ์กามที่ดำปริษนายิง่งอารมณ์รุนแรงอารมณ์อะไรอะไรยิง่งอารมณ์กามเสพสัมผัสแหม เรียกว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เถอะจะพลิกพลั้นธาทีอะไรมากมายยิ่งน่าอายเท่านั้นเพราะว่านั่นตัวเองหน้ามืดหนักขณะนี้วัฒนธรรมตะวันตกเขาถือว่าเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติสืบพันธุ์เท่านั้นส่วนเสพรถกรรมนั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องคิดขึ้นใหม่เป็นเรื่องคนสร้างอุปทานมาใหม่แล้วก็ไปเสพสัมผัสต่างๆนานาของตัวเองแล้วก็มาเกิดรถกรรมแล้วมาเรียกมันว่าธรรมชาติ ที่หมานะครับธรรมชาติฟังเข้าใจไหมมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่พวกต ะ, ตะวันตกอะไรพวกนี้มันมันมาวัดเป็นวัฒ น, นธรรมเออเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเปิดเผยจูบกันกอด ก, กันรล้กันดีไม่ดีก็สมสู่กันก็ไม่อายอย่างไปพวกอะไรอะเป็นพวกไอ้ทิปปี้อะไรอะไรแต่ก่อนเนี่ยเลเถอะจนกระทั่งเขต้องออกกฎหมายห้ามอะไรเนี่ยมันอุจารจะเต็มทนแล้วมันก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ เขาก็นึกว่านี่เป็นสิ่งธรรมชาติไม่ใช่สิ่งต้องคนปิดบังต้องเอามาศึกษาด้วยจริงๆก็ใช่ตรงวันนี้ต้องศึกษาเพราะมันบ้าแล้วแต่การศึกษาที่เขาจะเรียนนั้นที่เขาจะสอนกันในมหาวิทยาลัยหรือว่าวมัธยมอะไรที่เขากําลังจะใส่เข้าไปในหลักสูตรนั่นนะอาตมาขอยืนยันว่ายิ่งเรียนยิ่งเลอะยิ่งเรียนยิ่งจะกรามจัดเพราะไม่เข้าใจสัจธรรมและคนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสอนให้เขา ลดกามได้มีแต่จะเพิ่มกามยิ่งจะเร่งเร้ากามอาตมากล้ายืนยันเลยต้องมาเรียนสัธจธรรมเรียนรู้ถึงความจริงเลยแล้วถึงจะมาสอนคนให้รู้ว่าไอ้สิ่งอย่างนั้นควรหรือไม่ควรจะทําหรือไม่ทําอาที น, นี้ก็มาตัดฉากอาตมาอธิบายเรื่องขยายความว่าสืบพันธุ์กับสมสู่เสพรถกามสองความหมายอยู่ในพฤติกรรมเดียวกันแต่ต่างกัน นะให้ให้ฟังให้พูดให้ฟังพอคร่าวๆแล้วอาตมาเชื่อแน่ว่าพวกเราก็คงจะฟังโดยความหมายโดยเหตุผลก็คงพอเข้าใจเท่านั้นแหละแต่จริงๆคงเชื่ อ, อยากเพราะว่าคุณยังไม่มีสภาพจริงคุณหมดกามจริงเมื่อไหร่แล้วคุณถึงจะรู้ว่าไอ้ น, นี่มีความจริงนะหมดรถกามคุณถึงจะรู้ว่ามันเป็นไปได้และเป็นความจริงก่อนอื่นคุณจะเชื่ออาตมารหรือไม่เชื่อก็ตามแต่คุณเป็นพุทธกันทั้งนั้นเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าหมดกรรมเชื่อไหม เออชื่อว่าพร ะ, ะพุทธเจ้าหมดกรรมก็เป็นอันใช้ได้ว่าอาตมาไม่พูดปดไม่พูดปดนึกไม่พูดเอาเรื่องที่ไร้สาระมาพูดแน่พร ะ, ะพุทธเจ้าหมดกรมพระอระหันต์เจ้าทั้งหลายหมดกรรมแม้แต่ระดับพระอนาคามีขึ้นไปนี่ตามตามเกรดเลยเขาต้องวัดเกรดกันนะโดะดดสดาก็มีเกรดวัดสกดิท า, าก็มีเกรดวัดอนาคามก็มีเกรดวัดอรหันต์ก็มีเกรดวัดยิ่งอรหรันต์แต่สมมาสมพุทธเจา้าโอ้โหยิ่งมีเกรดละเอียดละออนั่นต้องไปเรียนภาคเกินกว่าโพสต์ด็อกเตอร์ ไปเรียนภาคโพธิสัตว์ไปหาพระอ ร, ะ ร, ะ ร, ะ ร, ะระหันตสมมาคมสมุทรเจ้านั่นมันอยู่นอกนอกนอกวิชาหรือว่านอกภูมิที่เราจะต้องไปเรียนเราก็เรียนแค่ภูมิอราหันต์นี่ก็เลื้อแหล่แล้วนะทีนี้อาตมาตัดฉากมาว่ามนุษย์เข้าไปในเรื่องตน้นที่ว่าอตาตมาพูดแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์โคลงทุกวันนี้โคลงของมนุษย์นี่ใหญ่มากแล้วเถะทะและพ ล, ลโลก กำลังไล่เข้าไปหาเท่าไหร่รู้ไหมสถิติพลเลโรคทุกวันเนี้เท่าไหร่รู้ไหมอะไรพันกว่าพลโลกมันร่วม6000ล้านแล้วมันร่วม6000ล้านคนแล้วมัน 5,000 ันล้านเขาฉลอง 5,000 ล้านมาหลายปีแล้วและสถิติเกิดวันวันหนึน่งนี่คนมันเกิดมากกว่าคนตายเพราะความรู้ของคนสามารถทําให้คนที่ตายแล้วก็ยังไม่ตายได้ ฟังรู้เรื่องไหมคนที่ตายแล้วแต่เขาก็ยังไม่ไมให้ตายแล้วก็ทําไม่ให้ตายได้คือมนุษย์พืชไงมนุษย์พืชนี่คือคนตายแล้วมันไม่ใช่คนหรอกมนุษย์พืชก็คือพืชไงคนไม่มีวิญญาณแล้วมนุษย์พืชเนี่ไม่มีวิญญาณแล้วเหมือนกับต้นไม้ก็เขาเรียกมนุษย์พืชเขาเรียกถูกนะ เหมือนต้นไม้มีพลังงานสังเคราะห์ร่างกายเอาอาหารก็ไปสังเคราะห์อยู่แต่จิตวิญญาณไม่มีแล้วไม่มีความรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณไม่มีแล้วไม่รู้เรื่องแต่เลี้ยงอาหารไว้ได้เลี้ยงไปคุณก็ต่อท่อมันสังเคราะห์ไปเพราะมันยังมีพลังงานมันยังสูบยังฉีดไม่ได้ทํางานเหมือนกันต้นไม้มันเลี้ยงต้นไม้ไปแต่มันไม่มีวิญญาณแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่หมอในระบบการแพทย์เขาสงสัยเขาว่าเอ๊ คนมนุษย์พืชนี่เขาถอดท่อออกไปนี่เขาฆ่าคนหรือเปล่าเขาไม่ได้ฆ่าคนแล้วเขาฆ่าพืชเขาฆ่าพืช เ, เขาไม่ได้ฆ่าคนเขาไม่ได้บาปหรอกเพราะว่าคนตายแล้วแต่วิทยาศาสตร์มันเจริญมันแหม่มันลดระดับประคองประคองชีวะไว้ได้จนกระทั่งอันนั้นนะ่ะคนนี่อยู่ในระดับวิญญาณแต่พืช น, นี่อ ย, อยู่อยู่ในระดับไม่ใช่วิญญาณเป็นพีชะ ท่านเรียนโดยภาษาพระท่านเรียวกว่าพีชะพีชะมีเชื้อชีวิตในระดับพีชะพีชะก็คือต้นภาษาที่เรียวกว่าพืชนั่นเองนะพีชะไม่ใช่วิญญาณนะแต่คน ก, ก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะงั้นในอนาคตในอาตมาว่าถ้าอาตมาได้อธิบายเรื่องนี้ไปหมอเหมือก็คงจะไม่ค่อยจะทุกข์ใจอะไรเท่าไหร่หรอกนะก็ใครเดินหมออยู่ก็เอาเอาไปพิจารณาในอนาคตพอจะเจอปัญหาพวกนี้มันไม่คือไม่ใช่มนุษย์แล้ว ทรมานทั้งผู้อยู่ผู้อยู่ก็ไม่รู้เรื่องขี่เหี่ยวเป็นอะไรนะไม่รู้คนอื่นทําให้ทั้งนั้น <c oughs> นะเป็นทรมานตัวเองก็ไม่รู้เรื่องแล้วผู้ผู้เป็นเองแล้วก็ผู้ที่จะคอยดูแลประคบประงบก็เป็นภาระทุก์ทรมานไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลี้ยงชีวะไว้เท่านั้นเองอ่ามันออกผลมาก็ไปเอาผลมากินก็ไม่ได้ มันออกยอดมาเอาใบมากินก็ไม่ได้บ่ท้อคนน่ะไม่ได้อะไรเลยต้องมา น, นัง่งล้างหน้าล้างตาเช็ดตัวอาบน้ํเาเมาจะเช็ดเกี่ยวเยี่ยวเช็ด ข, ดขีโอ้อืออะพูดไปยาวเนาะสรุปแล้วคนเราเนี่ยทุกวันนี้ตายน้อยกว่าเกิดขนาดคุมกําเนิดแล้วนะคุมกําเนิดแล้วพระพุทธเจ้านั่นน่ะท่า น, น, นสอนเรื่องคุมกําเนิดมาตั้ง2องพกว่าปีแล้ว ถ้าสอนมาแล้วนะไม่ใช่ไม่สอนถ้าสอนมาแล้วโดยการสอนวิธีคุมกำเนิดด้วยการคุมกำหนัดนลดความกำหนัดคุมกาหนัดแล้วลดความกาหนัดมีวิธีให้ลดไม่ใช่กดข่มนะถ้ากดข่มก็ดีไม่ดีระเบิดได้เหมือนกั น, นดีไม่ดีก็เป็นภาวะซับซ้อนที่ยิ่งกดดันอัดแน่นแล้วสักวันหนึ่งมันก็ระเบิด แต่ของพระุทธเจ้านั้นไม่ใช่วิธีกดดันเป็นวิธีเรียนรู้ว่ากิเลสตัวการคืออะไรแล้วละกิเลสล้างกิเลสตัวการได้บทกล่ามราคานี้ออกให้หมดเมื่อหมดเมื่อจางคลายก็ไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายมากมายไม่จัดจ้างก็อยู่สบายๆระมัดระวังได้แม้แต่ไม่ต้องเสพก็ได้ไม่ต้องเสพไม่ต้องสืบพันธุ์ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้เยอะไป คนทุกวันนี้นี่นะทั้งๆ ท, ที่ใจอยากจะเสพอยากจะมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงขึ้นคานก็เยอะผู้ชายขึ้นคานก็เยอะใช่ไหมทุกวันนี้เป็นโสดกันนะแก่งักแล้วก็มีเยอะไม่เขาไม่ตายนี่ไม่ตายขึ้นคานผู้ชายบางคนเขาก็ไม่ไปที่รบุญวายกับใครนะเขาไม่ต้องไปหาคู่สมสู่อะไรเขาก็อยู่ขเขาก็จนแก่เขาก็ไม่ตาย ผู้หญิงนี่ก็ยิงรัก เ, เรื่องของเนื้อ น, นวลสงวนตัวใช่ไหขึ้นคานโดยไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยเขาก็อยู่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นแต่นั่นแหละถ้าเพื่อไม่เรียนรู้ความจริงฟังดีๆหน่อยนะอาตจจมาอาจจะพูดถึงถึงหน่อยผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานก็ตามผู้ชายไม่ได้แต่งงานก็ตามแม้ไม่ได้ไปเสพสมสู่กับผู้ กับผู้หญิงผู้ชายคนอื่นแต่ก็ยังมีกิเลสมีกิเลสจนทนไม่ได้เพราะมันจะต้องเสพต้องมีอาการต้องรู้รู้สึกว่าถ้าต้องทำกรรมกริยาอย่างนี้เสพสัมผัสอย่างนี้แล้วเรา ก, แก็แล้วก็หาทางปลดปล่อยจะเป็นวิธีสำเร็จความใครด้วยตัวเองก็ตามคนเหล่านั้นก็ยังมีกิเลสยังมีกิเลสแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับคู่ นั่นก็เป็นการเสพกามธรรมดานะสำเร็จความใคร่โดยตนเองนะไม่ได้สืพันธุ์นะไม่ได้มีเผามีพันธุ์อะไรเกิดหรอกนะใช่ไหมเป็นการเสพกามโดยตรงนั่นคือกิเลสตัวแท้เพราะฉะนั้นควรจะมาเรียนรู้แล้วก็ลดกิเลสกามพวกนี้เมื่อลดได้จริงแล้วก็ไม่ต้องไปสมไม่ต้องสำเร็จความใคร่ไม่ต้องไปมีอาการอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นเบาบางถึงขนันถึงขนาดหนึ่งก็ไม่ต้องไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องมีกรรมกริยางั้นมันจะเบาๆบางๆแล้วมันไม่มีอะไรเม่อเท่านั้นเท่านั้นเองแล้วมันก็ไปกับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะว่ามันเป็นฐานรากเดียวกันกับกามคุณห้าได้กินได้สวยทั้งตาได้อร่อยทั้งลิ้นได้เสพทั้งกลิ่นทั้งจมูกได้สัมผัสทั้งกายอะไรพอสมควรมันก็คลายแล้วกามมรมณ์ก็คือการสัมผัสเศษสีทั้งทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจ สัมผัสเสียดสีแล้วก็ไปอุปทานมาโอ้อย่างงี้มันชื่นใจอย่างงี้มันเป็นรถแล้วก็รวมรวมกันเข้าเป็นความควบแน่นสรุปแล้วก็คือเป็นรถรวมเป็นการเสพรถเพราะฉะนั้นการสมสู่นี่จึงทุกวันนี้เรามาสร้างอุปทานกันสัมผัสเสียดสีหมดทั้งตาก็ได้เสพทั้งหูก็ได้เสพทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเสพหมดที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเสพทั้งลิ้นเลยซ้าไปมันก็เอามาเสพสมัยใหม่ สมัยโบราณไม่รู้เรื่องหรอกสัมผัสทางดินว่าเป็นต่างกามนี่นะไม่หรอกมันไม่รู้เรื่องแต่สมัยนี้มันวิถานมันไปกันใหญ่เลยทางนินบดถอยดินเอาไว้สำหรับลถอาหารรถที่จะกินเข้าไปในกระเพาะมันก็เอาออกมาไว้ไปแตะไปเสกไปอะไรกันลามกจอกระเพต็ไปหมดนะฟังดีๆอาตมาพูดอาจจะพูดถึงๆหน่อยใ ห, ให้ฟังให้เข้าใจ จะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปลอมเป็นสิ่งลวงเป็นสิ่งที่ไร้สาระอาตมาขอยืนยันว่าไร้สาระเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนล้นโลกแล้วคนอยู่เป็นโสดจึงเป็นคนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกใช่ไหมทำไมถึงเป็นโสดนี่ข้อที่หนึ่งเพราะเรารู้จักความเป็นจริงของมนุษย์โลกคนจะล้นโลกไม่มันจะมันถือว่าล้นะ่ะ เพราะว่าอยู่กันย่งกับเบียกกรียนแย่งชิงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติอะไรๆไม่พอกินพอใช้แล้วจ้องหาทางผลิตขึ้นมาทดแทนเนตเหนื่อยสารพัด ส, สารเพเนี่ยเพราะมันคนนี่แหละยอดทําลายคนสัตว์เดรัจฉานมันไม่ทําลายมากเท่าคนหรอกคนนี่ยอดทําลายเพราะนั้นจึงต้องคุมกําเนิดคนคุมกําเนิดทั้งโลกเขาก็คุมอยู่ก็รู้อยู่แล้วเราไม่ได้ขัดแย้งกับโลกเลยเพรา ะ, ะนั้นคนมาเป็นโซนนี้เป็นคนทันสมัยที่สุด สอดคล้องกับพลเมืองที่จะต้องคุมกำเนิดพลเมืองของโลกนี่ประเด็นที่หนึ่งนะอย่างที่อาตมาได้ขยายความให้ฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่คนไหนอยากจะทันสมัยที่สุดหรือนำสมัยที่สุดต้องหัดตนเป็นโสดแต่เอาละการเป็นโสดไม่ง่ายถ้าคุณเองกดดันคุณเองไม่เรียนรู้ธรรมะไม่เรียนรู้จริงๆเลยนะไม่เรียนรู้จริงๆเลยคุณคุณไม่แต่งงาน ถ้าคุณไม่แต่งงานคุณก็จะต้องไปเสพสมไปหาคู่เสพอะไรตไรดีไม่ดีก็ไปวุ่นวายอะไรตไรกิดคู่อื่นๆที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราววัฒนธรรมเขาก็ไม่ส่งเสริมไม่ว่าชาติไหนเขาก็ไม่ส่งเสริมทั้งนั้นแหละวัฒนธรรมที่ใดสัมพันธ์หรือว่าเละเทอะอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาไม่ส่งเสริมเพราะว่าคนนี่เป็นเป็นสัตว์ประเภทประเสริฐรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรวัฒนธรรมที่ดีที่งามเป็นอย่างไรรู้ดีเพราะวัฒนธรรมที่ซ้ําสอนธนี่เขาไม่นิยมหรอกไม่เหมือนสัตว์ประเภทหมูหมากาไก่อะไรไม่รู้มันเละเทะ ใ น, นเรื่องของมันยิ่งสมัยนี้แล้วยิ่งโอโหธรรมชาติก็ช่วยนะซ้ำซ้อนมากๆแล้วเอตรับทานเลยนะสมัยนี้เนี่ยธรรมชาติก็ช่วยนะช่วยอมีเรื่องอะไรตอะไรขึ้นมาหา้ไม่กลัวแน่ไม่กลัวไม่กลัวก็นี่จะตายกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถเป็นโสดได้แต่ไม่ลดกิเลสเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นภยัยนะ มันจะต้องพยายามลดกิเลสจนกระทั่งไม่ต้องไปเป็นคู่ไม่ต้องไปสมสู่ไม่ต้องไปเสพใครต่อใค ร, ใครพอทําเนาอย่างน้อยที่สุดก็เอา้าอยู่กับตัวเองสําเร็จความใค่ตัวเองก็ยังพอทําเนาแต่มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่นั่นแหละเป็นกามราคะก็ยังปลอดภัยกว่าที่ไปมีขาคู่ที่มันไม่ใช่คู่ที่เราต้องไปจดทะเบียนหรือว่าไปเป็นคู่ที่จริงอะไรนี่นะมันไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่ได้เรื่องมันวุ่นวาย เพราะฉะถ้าเรามาลดกิเลสกรรมได้อีกอีกระดับหนึ่งเป็นโสดโดยที่อยู่ได้เอาอาตมาพูดแล้วเมื่อกี้ว่าแค่เอาอยู่เป็นโสดนี่แหละแต่ก็ยังยังแต่กระนั้นก็ยังน่าอายเพราะมันยังมีกรรมบอกแล้วว่าเรื่องกรรมนี่การเสพลดกรรมนี่มันน่าอายไม่เปิดเผยหรอกใครจะไปบอกใครได้ไม่เปิดเผยมันน่าอายใครจะมีกรรมอยู่น่าอายแต่เขาพยายามแก้ขวยนะ เขาพยายามบอกว่าคนกามตายด้านที่น่าอายคนขึ้นคานคนไม่เป็นน่าอายเขาพยายามกลบเกลื่อนนะแต่ที่จริงลึกๆ ก, ก็รู้ทั้งนั้นทั่วไปรู้กันทั่วไปว่าไอ้เสพกามใครเสพรถกามมันน่าอายต้องทําในที่ซ่อนเร้นปิดบังอย่าไปเปิดเผยอย่าไปอะไรมันก็รู้ๆกันอยู่แต่พยายามกลบเกลื่อน ท, ทําทีอะไรอะไรไปแม้แต่วิธีการแต่งงานเนี่ยที่จริงก็น่าเกลียดนะถ้าแต่งงานก็คือคู่ที่จะสืบพันธุ์ก็แล้วไป สมัยโบราณเขาแต่งงานกันเพื่อที่จะสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องอเรื่องรสกามเท่าไหร่หรอกยิ่งผู้หญิงสมัยโบราณนี่แล้วเนี่ยเออมีหน้าที่มีลูกไม่รู้หรอกรสกรงรกรามใครหม่ใคร้ายแม็กซ์อะไรไม่รู้เรื่องผู้หญิงสมัยโบราณ ส, ส, สมัยนี้แล้วโอ้ยสําคัญเป็นเรื่องชีวิตชีวาเป็นน่นเป็นนี่นี่ถูกเขาหลอกมาตะเพิดตะเพือ เสร็จแล้วก็ไปตามรูไปสิอุย้ยมันมีอะไรยังไงอย่างางี้นะเนี่ยถ้าได้รูปเด็คลํานะแม้แต่ได้เห็นตรงนั้นตรงนี้นะผู้หญิงก็เห็นผู้ชายก็เกิดได้นะอารมณ์ผู้ชายเห็นผู้หญิงนะแต่แค่เห็นนะเกิดอารมณ์ยิ่งได้ยินเสียงอยุเสียงก็เซ็กซี่ได้กลิ่นเดโอ้โหตายนี่นะมาจากตะวันตกทั้งนั้นนะเซ็กซี่เซ็กเซอร์อะไรเนี่ยอเออเซ็กซี่มันก็เรื่องของมาจาก ต้นตำรับเซ็กชวลทท้งนั้นแหละอะไม่ได้เรื่องนะเนี่ยตมาพูดอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเลิกกันบ้างไหมเนี่ยพูดมาถึงแค่นี้แล้วครึ่งชั่วโมงแล้วเนอะแล้ยังเฉยอยู่เอาละก็ไม่เป็นไรอ่ารับรู้ไว้กันแล้วกันนะเอาทีนี้ทำไมต้องโสดต่อไป หมันสอดคล้องเป็นดิมานที่สําคัญของโลกเพราะพลเมืองจะล้นโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้องซัพพลายให้ถูกถูกดิมานเพราะสังคมพลโลกไม่ต้องการพลโลกเพิ่มเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มพลโลกไม่ต้องไปสืพันเพื่อเพิ่มพลโลกแต่ถ้าไม่สืพันก็ไปติดกามไปติดโรคไปติดโรคแหมจะบอกว่ากามโรคแล้วนะเนี่ยมันก็จริงๆด้วยนะมันเรียกเป็นกามโรคแท้เลยนะ เป็นโรคทางกามรดติดรถของกามใช่ไหมไอ้ ย, ยังเป็นกามโรคที่มีเชื้อโรคเข้าไปอีกนั่นนะโอ้โหยังไปกันใหญ่เลยต้องหาหมอแล้วหมออาตมารักษาไม่ได้หรอกอย่างนี้อาตมารักษาไม่เป็นโรคอย่างนั้นต้องไปหาหมอที่เขาเรียนรู้เชื้อโรคนะจริงจริงเลยแต่เชื้ออย่างนี้อาตมาพอรักษากันได้เชื้อกามเป็นโรคทางใจที่ไปมีกิเลสกิเลสนั่คือโรคคือเชื้อโรคแท้กิเลสเนี่ยแล้วมันก็อยู่ในจิตใจของเรา เราสะสมถ้าเรายังไม่เลิกสิ่งเหล่านี้มันก็จะเสียแคลอรี่เสียพลังงานเสียเวลาดีไม่ดีก็เสียเงินทองเสียทุนรอนเสียอะไรที่เป็นวัตถุไปจับจ่ายใช้สอยเปลืองอะไรตไปอีกนะถ้าเราประหยัดถ้าผู้ใดละลดเลิกเหล่านี้ได้ไม่ต้องไปต้องใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ต้องเป็นเวลา ไม่ต้องใช้ทั้งเวลาไม่ต้องใช้ทั้งแรงงานไม่ต้องใช้ทั้งแคลอรี่อะไรต่างๆนานาไม่ต้องใช้ทั้งรูทุนรอนเงินทองทรัพย์สินคาดอะไรไปกับเรื่องนี้เลยแหมประหยัดได้เยอะโลกทุกวันนี้ในฟุ่มเฟือยหรือว่าประหยัดฟุ่มเฟือยหรือประหยัดโรคทุกวันนี้ยากจนหรือร่ํารวยคุณตอบมาเมื่อกี้นี้โรคทุกวันนี้โลคทุกวันนี้ฟุ่มเฟือย แต่จริงๆแล้วโลกทุกวันนี้ร่ารวยหรื อ, อยากจนมันสอดคล้องกันไหม <c oughs> ฮะมันไม่สอดคล้องกันแล้วใช่ไหมโลกทุกวันนี้นี่อยู่ในพฤติกรรมของการฟุ่มเฟือยและยุแย่กันให้ฟุ่มเฟือยโฆษณาพโพ ร, รกันด้ากันให้ฟุ่มเฟือยนะต้องฟุ่มเฟือยต้องฮารูฮาราหมยต้องลัดชวลี่ใช่ต้องโอโห นะแต่ละคนอยากจะรัชชุลีทั้งนั้นเป็นรสนิยมเลยนะใช่ไหมนะแต่ความจริงโลกทุกวันนี้ไม่ได้ร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็ยังไม่ทันคนบริโภคและยังมีของฟุ่มเฟือยที่สร้างขึ้นมาให้คนบริโภคด้วยซ้อนไหมซับซ้อนไหม สร้างสิ่งที่ฟุ่มเฟือยขึ้นมาให้คนหลงติดหลงยึดแล้วก็ต้องไปหามาบริโภคทําลายชีวิตทําลายแรงงานทําลายอะไรตารา่างๆนานาซับซ้อนอลงไปในโล ก, กด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้แม้แต่ในเรื่องของกามเขาก็ปรุงสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่มอมเมาสิ่งที่ปลูกเร้าเหล่านี้มาโปรยปรกันดน้าย่ำยอ ม, ยอมหัวใจให้คนนี่ต้องกามจัดจ้าน ต้องกามจัดจ้านเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ลดกามเรียนรู้เท่าทันโลกที่มันสร้างในภาษาพระทณนว่สังขารปรุงแต่งขึ้นมามอมเมาโลกต้องเรียนรู้เท่าทันเรียนรู้เท่าทันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องไปพลานไม่ต้องไปอะไรอะไรจนกระทั่งกามเราไม่ขึ้นก า, าาากามเราไม่มากเมื่อกามเราไม่มากก็จะอยู่เป็นโสดได้ โดยไม่ต้องเป็ น, ปนโสดไม่แต่งงานแล้วยังไม่ต้องสาเร็จความใคร่โดยตนเองเป็นโสดโดยมีพลังงานเอาไปใช้งานอื่นเอาไปเป็นประโยชน์อื่นได้สบายๆเลยมีเวลาก็าไปประโยชน์อื่นมีทุนรอนเงินทองเอาไปเป็นประโยชน์คนอื่นได้หมดเลยสร้างสารรค์เกื้อกูลโลกต้องการความช่วยเหลือจากคนเสีย ส, สละมากต้องการพลังงานต้องการเวลาต้องการความสามารถที่จะมาสร้างรังสรรค์ลไปให้โลกให้มาก แม้แต่ในโลกเขามีระบบทุนนิยมสร้างแล้วคิดค่าแรงงานคิดค่าความสามารถสร้างแล้วเป็นผลผลิตเอาไปขายขายเกินทุนจากที่ผลิตเอามาให้แก่ตัวเองก็ยังพอได้อาศัยแต่คนสร้างนั้นไม่ได้มีคุณค่านะคนสร้างผลผลิตอะไรก็แล้วแต่ให้สังคมเนี่ยแล้วเอาไปขายขายโดยราคาโดยเอาแลกกับคืนมาเกินทุนของมันเกินทุนที่ลงไป เอาเกินมาแล้วคนนั้นไม่มีค่าให้แก่สังคมเลยเพราะคุณเอาคืนมาเป็นตัวเงินหมดแล้วนี่เป็นระบบทุนนิยมซึ่งเราเห็นบาปอยู่ในตรงนี้บาปอยู่ในระบบทุนนิยมทุกวันนี้ระบบทุนนิยมทั่วโลกสร้างบาปกันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสามารถที่จะมาสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละให้แก่โลกได้นั่นแหละเป็น คุณค่าประโยชน์บุญคือความมีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นบุญคือการลดกิเลสตัวเองกิเลสที่เราพูดถึงตรงนี้กิเลสกามถ้าเราไม่ลดเราก็ต้องเอามาบำเบรมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรายได้เราจะต้องมีเงินทองเอาไปซื้อสิ่งที่จะมาบำเบรม ไม่ว่าจะบําเรอทางความสวยโอ้ไอนี่สวยอยากได้ไอนี่อร่อยอยากได้ไอนี่มันไพเราะทางหูเห็นไหมนี่บอมเมลกับทางหูนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้หน่วยเทปสร้างเทปกันมาขายเพลงเพลงบ้าบ่าบ่าบาบมบมเพลงปลุกเร้าอะไรก็หมย่ยรู้เยอะแยะแล้วส่วนใหญ่ก็เพลงความรักอความรักชนิดนี้ร้องอย่างนี้มันเบื่อแล้วเอาเปลี่ยนวิธีร้องใหมองง่อย่างง้นอย่างงี้ย่งี้หนักเอาเข้าขนาดฮาร์ดร็อกเพลงรักฮาร์ดร็อกอออืื กระแทกเข้าไปให้มันมให้มันความรักทะเล็ทเล่นทะเล็ททะเล็ ท, ลทลกออกมาเลย <c oughs> คนแก่คนเฒ่าอาจจะไม่รู้ถึงร็อกต้องไปฟังใต้ดินหนุ่นนะอย่างนี้เป็นต้นก็คือสิ่งที่มอมเมาสิ่งที่ปลูกเราจิตวิญญาณที่ไม่รู้เท่าทันจิตของคนไม่รู้เท่าทันถูกสิ่งเหล่านี้สร้างอาุมตะปลูกเรา แล้วก็เป็นๆตามเขาอุปทานคือของปลอมทั้งนั้นภาษาพระท่านเองว่าอุปทานคือสิ่งที่ยึยดถือยึดติดอุปทานคือสิ่งที่ติดแล้วก็ยึดถือไว้แล้วเราก็ไปไปไปเข้าใจว่าอันนั้นดีแล้วก็ไปยึดถือไว้แล้วก็ติดมันติดมันเพราะต้องมาล้างความติดทั้งหมดนี่ พูดได้ลางได้ละได้เราก็จะไม่เสียสตังค์ซื้อเทปไม่เสียสตังค์ซื้อผ้าสวยมาเสียสตังค์ไม่เสียเวลาไปให้เขาเจาะหูเจาะตบกเดี๋ยวนี้มันเจาะหมดเลยนะี่เจาะเจาะเจาะสะดือแล้วก็อวดสะดื อ, จอเจาะอะไรห้อยโอ้โหจาบคุคคลเดิยมันสารพัดสารพันที่จะวิถฐานเจาะเข้าไปเถอะเจ็บไม่ว่าถ้านำสมัย บ้าบ้าไปให้อะไรก็ใหม่รู้กันแหละแล้วนี่ยมชมจืนกันโอ้โหไปดูดี่วันนี้ในเมืองไทยยังเอาเขามันมีหน่วยมีพวกเขาคงเคยเห็นนะนะอาตมาก็ไม่ได้ไปตามไปดูหรอกนะมีคนไปตามมาให้ดูไม่ใช่ตามไปดูมีคนไปตามมาให้ดูดามมาดแลเราก็นั่งดูที่โทรทัศน์ที่ตัวใดมันมาโอ้ยบ้าบ้าบวมๆเขาเท่เขาเหลือเกินนะี่เขาทาแล้วว่าเห็นไหมเขาออกอากาศนี่เวลาเท่ภาคภูมิเหลือเกิน น่าบ้ากันไปใหญ่ที่จริงก็คือความสมใจบําเรออารมณ์ที่ตัวเองไปมีอุปทานไว้ว่าอย่างนี้แหละมันเหมาะซึ่งมันไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันถ้าคือบ้าบ้าเหมือนกันหมดนี่ท่าไหม น, นี่มีแต่พังเต็มอยู่นี่เลอตายแน่ๆเลยนี่แต่ละนั่งอยู่เนี่ยรุ่นนี้นะพังทั้งนั้นนี่นนะโอ้โหคงดูไม่เบื่อเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนในสุดนิ์สุดเดดมานี่ยนะโอ้โหุมันคงไม่นั่งรอมันคงจะต้องยืดเนียต้องเ อ, อนะนะ ถ้าลักษณะพังแล้วมันยังมา น, นั่งสงบอย่างนี้ได้มันต้องแตะท่าให้มันเข้ากับเครื่องทรงหรือว่าไอสิ่งที่ตัวเองจะต้องอวดโชว์ส่วนไหนส่วนไหนของตัวเองก็มั่วไนนะพูดก็เมื่อยแล้วนะมันยังไปทำอีกแล้วไม่ไม่เมื่อยไงไหว เนี่ยตมาธิบายเห็นว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งหรือว่าเป็นสังขารธรรมของโลกของอะไรเนี่ยมันมากเพราะงั้นคนที่ไม่รู้ก็จะต้องไปเปลืองไปผลาญไปเสียเวลาเสียทุนรอนเสียเงินทองเสียอะไรต่างๆนาน า, น า, น า, น า, นานไปหมดเราเซฟอันนี้มาแล้วก็เอามาสร้างสิ่งที่มันเป็นความจําเป็นที่จะบริโภคหรืออาศัยคนต้องอาศัยอย่างน้อยอาศัยปัจจัยสี่อาศัยอาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือจะมีบริขารบ้างมีเครื่องอาศัยบ้างพอสมควรคนต้องมีต้องพอใช้ มีจานมีชามนี่เป็นบริขาร น, นี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ก็มีแม้กระทั่งที่สุดว่ามันทุกอย่างมันเร่งรัดต้องมีต้องมีนาฬิกาต้องมีแว่นตาต้องมีอะไรอย่างงี้เป็นบริขารที่จําเป็นก็ว่าไปต้องเอามาสร้างสิ่งจําเป็นพวงนี้สิยังต้องการอีกเยอะถ้ามันยิ่งมากมันยิ่งทําได้ดีทําได้ง่ายทำได้ถูกแล้วก็เอามาจ่ายกันให้ทั่วๆคนที่ขาดแคลนคนที่ไม่มีก็จะได้ใช้กันทั่วถึงคนก็จะได้อยู่กันเป็นอยู่สุข เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีส่วนดึงเอาไปเป็นกามให้สูญเสียพลังงานเสียเวลาเสียทุนรอนแล้วคนคนนั้นก็จะมีประสิทธิภาพสูงคนคนนั้นก็จะมีคุณค่าสูงที่จะสร้างสรรยิ่งมาเข้าใจในเรื่องทฤษฎีกำไ ร, ราขาดทุนของอารยชนมาเข้าใจระบบบุญนิยมไม่จะทุนน ะ, ะไม่จะทุนนะ ท, ทหารสระอุนหนูนะั่นะนะทั้งโลกเขาเป็นอยู่ แต่ที่อาตมากระพูดนี่คือบุญนิยมบอใบไม้สระวุยอหญิงบุญนิยมถ้าเราไม่เข้าใจระบบญญบุญนิยมบุญนิยมคือเป็นผู้ที่ได้มีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกทุนนิยมอาตมาขอยืนยันว่าคนในทางทุนนิยมยิ่งร่ํารวยเท่าไหร่ยิ่งไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อโลกเพราะเขาเอาเปรียบไปกอบโกยไปไว้เขาไปของตัวเองมากๆได้เปรียบมากๆ ม, มันจึงมีมากเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นยิ่งไร้ค่าต่อสังคม ไร้ประโยชน์ต่อสังคมเพราะเขาเอาส่วนเกินมาเป็นของตัวเองมากแล้วก็กอบโกยสะสมไว้เป็นสิทธิ์ของตัวเองมากไม่สละออกไม่กระจายออกเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นก็บอกกระจายรายได้กระจายรายได้เองกระจายข้าหอบไว้นักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดบอกกระจายรายได้กูเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่กูบอกเขาได้แต่กูไม่กระจายของกูคนอื่นกระจายเพราะงั้นมัน ไม่ลดกิเลสเห็นแก่ตัวไม่ลดกิเลสที่จะเอามาไว้บําเบอรตนเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเพราะงั้นถ้าเผื่ว่าเราเองเราลดกิเลสไม่บําเรอรตนเราก็ไม่ต้องมีมากไม่ต้องเสพทั้งนั้นไม่ต้องเสพทางนี้ไม่ต้องเปลืองกันโน้นไม่ต้องเปลืองกันนี้เราก็ไม่ต้องมีไว้มากเมื่อไม่มีไว้มากเราก็เท่ากับกระจายแล้วแต่ว่าเราขยันหมั่นเพียรสร้างสรรมีความสามารถเท่าไหร่เราก็ทําเพราะฉะนั้นคนไหนที่ ตัวคนเดียวมันก็จะต้องใช้จ่ายพอสมควรแล้วยังไปหาคู่มาอีกคู่ไม่อีกคนนึงดีไม่ดีตายคู่ที่ไม่ควรเป็นโลคเป็นภายอา้าวเป็นภาระแบกต้องมาทําเลี้ยงสองคนไม่พอเดี๋ยวผลิตออกมาอีกไม่โสนะแล้วต้องมีมีออกมาแล้วก็มีลูกมีเต้าออมาคนหนึ่งสองคนห้าคนอะไรก็แล้วแต่ คุณก็จะต้องไปกอบโกยไปเอาจากคงอื่นมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงสิ่งที่คุณเองต้องรับผิดชอบไม่เลี้ยงก็ผิดคณาสัตว์ในรัชานมันยังต้องเลี้ยงลูกเพราะถ้าคนไม่เลี้ยงลูกนี่ผิดแน่ๆผิดแน่ๆต้องเลี้ยงถ้าคุณมีแต่ถ้าไม่อยากเลี้ยงก็อย่าไปมีนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งทาไมต้องโสด ก็จะพยายาไปสร้างภาระมาคนคนเดียวนี่ก็ภาระพอสมควรแล้วทุกวันนี้เนี่ยอยู่กันก็ยากลำบากแล้วจะต้องไปเอามาอีกคนหนึ่งหัวใจคุณ น, นี่คุณทําให้สมใจของคุณได้ตลอดเวลาหรือเปล่าได้ไหมหัวใจคุณเองนะคุณยังทำให้สมใจคุณไม่ได้ตลอดเวลาเลยคุณไปเอาคนมาอีกคนหนึ่งอีกหัวใจหนึ่งเป็นไงหนักไหมเชื่อัหยเชื่อต้องฟังแล้วก็ต้องไปทาตามนะ อย่าฟังเปล่าๆนะเพราะนี่นี่เป็นประเด็นหนึ่งว่าทําไมต้องอยู่เป็นโสเป็นโสเราจะได้เบาเจะไไม่เป็นภาระมากมายแต่ที่จะเป็นโสได้แตมาพูดมาแต่ตน้นแล้วว่าจะเป็นโสได้ต้องทําอย่างไรก็อนจมาพูดมาแล้วแต่ตน้นเอาละเดี๋ยวคนจะถามในใจว่าโอ้แล้วมันจะอยู่ยังไงเลยไม่เป็นโสไม่มีลูกไม่มีเต้าแก่เท่ามาจะอยู่ยังไงเดี๋ยวคุณอาจจะมีคําถามในใจเดี๋ยวไขไม่ต้องห่วงนะปัญหาเรานั้นเป็นปัญหาสังคมเหมือนกัน เป็นปัญหาสังคมที่เขาเองเขาไม่รู้ตัวอย่างเขาไม่เห็นว่ามันจะอยู่ได้ยังไงแต่ที่นี่เรามีคําตอบแล้วเดี๋ยวอาตมาจะตอบตอนหลังแต่บางคนคงรู้คําตอบแล้ว น, นในนี้เพราะว่าอยู่มารู้มาแล้วพวกนี้นะอยู่ที่นี่อยู่เช้าอาโศกนี่ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เราเรามีทางแก้ปัญหาทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่2นะที่นี้ถ้าเผื่อว่ า, วารื่มาเรียนเมื่อกี้อาตมาพูดถึงตรงว่ามาเรียนสัจธรรมทฤษฎีกําไรขาดทุนของอาริยชนแทหรือมาเรียนบุญนิยม ให้รู้จริงเลยว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นนี่คือได้เสียสลละถ้าเอาเปรียบแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกฟังดูภาษาง่ายๆมันก็รู้แล้วแล้วคนในโลกนี้มันพยายามเอาเปรียบสมมุติว่าค่าแรงงานของเรานี่นะเอา้ามีสมรรถนะตีราคาแล้วประมานๆว่าค่าแรงงานของเรานี่แหละทั้งความรู้ความสามารถตีราคาวันหนึ่งห้าร้อยหาร้อยไม่แพงหรอกเดี๋ยวนี้ห้าร้อยไม่แพงหรอกเงินเดี๋ยวนี้มันถูก ห้าวันหนึ่งห้า้อยเดือนหนึ่งมันหมืนห้าเองใช่ไหมไม่แพงหรอกเดือนหนึ่งหมื่นห้าเดือนนี้ไม่ไม่แพงสมมติว่าเรามีสมรัถนะพอสมควรห้าร้อยจริงๆคนมีสมรรถนะสูงกว่า น, นั้นยาตมานี่ไม่ควรจะตีวันละห้าร้อยควรจะตีนี่มันมันจะยกตัวเองหน่อยนะราคาตมามัไม่ควรจะเป็นวันละห้าร้อยราคาแรงมันควรจะมากกว่านั้นหน่อยเนาะราคาแหมราคาเดือนหนึ่งหมื่นห้าก็ต่ำไปเนาะอัตมาเนา ะ, <_ d ew ork> ะราคาคุณสมมุติว่าห้าร้อย จริงๆแล้วถ้าเราเองราคาของเราห้าร้อยเสร็จแล้วเราก็ทำงานพอทำงานเสร็จแล้วเราก็ขอห้าร้อยมาคืนมาคุณทำงานคุณทำงานอะไรก็แล้วแต่สมรรถนะความคิดก็ตามลงมือสร้างสรรค์อะไรก็ตามก็สมรรถนะของคุณราคาประมาณ500อยนะคุณทำเสร็จน้าทาแล้วคนที่จ้างคุณเขาก็ให้ตังห้าร้อมาเจ้าไหมเจ้ากันยัง เจ้าแล้วคุณไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรคุณเอามาเป็นตัวธนบัตรเป็นตัวสิ่งแรกเปลี่ยนค่านี้ค่าเนี่หรือเป็นของอะไรก็แล้วแต่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามเถอะวัตถุชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยราคาทุนมันประมาณนี้คิดทุนมันทั้งหมดเลยวิธีคิดทุนก็มีถ้าเขาไปเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปเรียนทางด้านพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เขาก็คิดทุนมาราคาเท่านี้สมมติว่าราคาพันหนึ่งอันนี้ทุนมันทั้งหมดเลยนะก็คูณลบบวกลบคูณั้ำค่ า, าแรงงานค่า เครื่องเสื่อมเครื่องมือค่าอะไรก็คิดหมดแหละแม้แต่ข้าเออเร่อว่าโอ้ยมันจะคิดไม่ออกเผื่อไว้ 3% ามเปซหนตอยคิดไม่ออกว่ามันจะสูญเสียอะไรบ้างนาคิดออกบวกไว้หน่อยเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ยังคิดด้วยนะว่านี่คือทุนนะฮะท่าที่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะคิดข่าอะไรกูบวกไว้ก่อนละเออเร่อนะนั่นมันเอาเปรียบขนาดหนักเลยนะมันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กะจะเสียสักอย่างเลยนะบวกแล้วว่านี่เอาสมมุติเอาละคิดอย่างที่ว่านี่ก็ได้ทันหนึ่งแล้วคุณเอาอันนี้ไปให้คนนอื่ พ อ, อไปให้คนอื่นแล้วคุณจะเอาคืนมาพันหนึ่งไหมตามหลักทิฏุนิยมมันจะเอามามากเกินกว่าพันนี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คนมันจะยอมซื้อได้ใช่ไหมนะถ้าไปหลอกเขาบอกเฮ้ยนี่เยี่ยมนะอันนี้มีน้อยแล้วนะอะไรก็แล้วถ้าจิตวิญยาณนะถ้าไม่ได้นะหมดแล้วนะไม่มีนะขึ้นราคาไปพันนี่ขึ้นเป็นห้าพันขึ้นเป็นหมื่นหนึ่งอะไรก็ได้ยอดแยบวิธีการของทุนนิยมใช่ไหม นั่นละเกินทุนมามากเท่าใดคือการขูดรีดเอาผู้อื่นมาเท่านัมากเท่านั้นคุณไม่มีประโยชน์บอกแล้วว่าถ้าไปขายราคาพันหนึ่งเท่ากันเท่าทุนคุณก็ไม่มีคุณค่าประโยชน์แล้วคุณเอาคืนมาเท่าของมันแล้วแต่เมื่อไปเอาเกินมันอะไรนะน่ะมันอะไรถามหน่อยมันอะไรฮะอะไรแล้วดีใจกันนะในเกินพันมากเท่าใดดีใจกันนะ ดีใจที่ได้บาปดีใจที่ไม่มีคุณค่าประโยชน์ดีใจที่ได้ขูดรีดสังคมหรือขูดรีดพูดที่คุณเอาไปรีดเขามานั่นแหละดีใจมันดีใจถูกไหมฮะการดีใจอย่างนั้นมันถูกต้องไหมแต่ก็ได้หลงดีใจมาตั้งหลายทีแล้วในชีวิตนี้นับครั้งไม่ถ้วนได้ลงใจอย่างนี้ได้ลงดีใจอย่างนี้มาใช่ไหมอย่ากโกหก ต้องใช่แน่นอนเคยมาแม้แต่อัตมาก็เคยไม่เข้าใจอย่างนี้เคยไม่รู้เรื่องความจริงอย่างนี้มาแล้วเอาล่ะสรุปอัตมาไม่เจตนาจะมาอธิบายลัทธิบุญนิยมอัตมาเจตนาที่จะทําให้เข้าใจทั้งเรื่องว่าเป็นโซนทําไมตามหัวข้อเพราะยังพูดไดเข้าใจอย่างนี้ก็จะมาเป็นคนที่จะมาเสียสละเมื่อกี้พูดถึงตรงนี้แล้วจึงจะเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าในสังคม เพราะคนที่จะเป็นภาราไปมีลูกมีเต้าไปมีครอบครัวไป ม, นวนมีน่นไปมีนี่มันก็จะต้องไปกอบโกยจะต้องไปใช้ลัทธิทุนนิยมจะต้องไปหามาหามาเผื่อพอเอาดีไม่ดีไอ้ลูกก็ใช้เก่งไอ้เมียก็ใช้เก่ ง, อกกกงโอ้ตายพอดีนะก็ยิ่งแย่เพราะฉะนั้นเสี่ยงมากเลยคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะได้คู่ที่ไม่ p l u น าบางคนเนี่ยโอ้โหจบะบางคนเอ้ยไม่จะแต่งไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่งงานกกูก็แต่งแล้วแล้วมันจะแต่งไปถึงไหนไปเรียกร้องใครอีกแล้วมันก็ได้เกิดการเรียกร้องคนอื่นมาอีกมาเชยชมอีกมไม่รู้จะแต่งไปหาอะไรอีกก็แต่งกันอยู่นั่นแหละนะเสร็จแล้วมีลูกไปเลี้ยงลูกกลัวจะเสียชฉมมันเวนเวนะมนุษย์นะี่มันมันเสื่อมลงต่ลงจริงๆเนหะ็นไห เอาทีนี้ลูกเนี่ยคุณเสี่ยงนะคุณมีลูกนี่ทำไมต้องเป็นโสนเพราะว่าการไม่เป็นโสนไปมีลูกมานี่นะเสี่ยงคุณจะบังคับได้ไหมว่าลูกขคุณเกิดมาต้องเป็นคนดีบังคับได้ไหมเลือกเอาได้ไหมเสี่ยงที่สุดแล้วอาตมาบอกให้ก็ได้ยุคนี้คนมาเกิดมีแต่พวกเลือดผีวิญญาณผีมาเกิดวิญญาณพระนัหายากยุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าคนมีบุญไม่มาเกิดเท่าไหร่หรอก คนมีบุญมาเกิดแล้วเหนื่อยหนักอย่งอาตมาเนี่ยจะถูกจับเข้าคุกอยู่เนี่ยอย่างจริงจริ ง, รงสังคมทุกวันนี้เกิดมาคนมีบุญนี่จะอยู่ยากมันเขาไม่เข้าใจอะ่ะเขาหาว่าบ้าเขาหาว่าทําลายเขาอะเนี่ยเห็นไหมจะเอาเข้าคุกนะเนี่ยอาตมาพยายามใช้ความสามารถที่จะไม่เข้าคุกให้ได้อยู่เนี่ยไม่รู้จะรอดไม่รอดเนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงหรือเปล่าอ ไม่รู้อาการจะน่าเป็นห่วงหรือเปล่านี่จะรอดหรือไม่รอดยังไม่รู้เลย嘛เพราะงั้นถ้าเผอว่าผู้ใดอยากจะไม่ต้องเสี่ยงที่จะไปมีลูกมาถ้าเป็นลูกผีเนี่ยยังไม่รู้เลยนี่嘛ลูกเฉลิมนะมันผิดหรือไม่ผิด嘛ดังก็อยู่สนันสังคมอยู่เนี๋ยวนีเห็นไหมมีลูกมันเกิดกล้าวไหมนะไปทําให้พ่อชิบหายเเดี๋ยวไม่รู้จริงไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยแต่เรื่องมันเกิดแน่ใช่มั้ยเกิดจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันคงมีเขาอะนะ เขาบอกว่าไม่มีฝอยหมาไม่ขี่แต่ทุกวันนี้หมาขี่ที่ไม่มีฝอยทั้งนั้น่ะที่มีฝอยมันไม่ค่อยขี่มันมาอัปรีแล้วเดี๋ยวนี้ยมันไม่ขี่ที่มีฝอยมันไปขี่ในถนนแหมคนกรีดกางเกงมันขี่ดีนะโอยคนมากวาดมาเก็บสมน้ํามะน้าเลี้ยงหมาจนหมาเสียหมาหมดแล้วจริงๆหมาไม่เป็นหมาแล้วทุกวันนี้กินก็บอเป็นหากินก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้โอ้ยตัดผมตัดเผ้าให้มันใส่เสื้อใส่นวทาสีนนนี่โอ้ยบ้าจริงๆ เวลามีมากอะไรกันขนาดนั้นนะเอาละมันจะยืดยาวนะเพราะถ้าผู้ใดไม่ต้องไปเสี่ยงไม่มีลูกก็จะมีเวลามีทุนรอนมีแรงงานมาสร้างสรรค์บอกแล้วว่าคนจะมีบุญคนจะมีประโยชน์ต่อสังคมต่อคุณค่าต้องต้องเป็นคนที่มีเวลาพอมีเวลาเหลือเฟือมีทุนรอนพอมีสมรัถนะมีความสามารถพอที่จะสร้างสรรค์ พอสร้างสรรแล้วเราก็ไม่ต้องไปเผื่อแผ่มันต้องไปกลัวว่าจะต้องไม่ไม่มีเลี้ยงลูกไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมีเลี้ยงปู่ย่าตายายอะไรขึ้นไปอีกเพราะปู่ย่าตายายมีก็เออเลี้ยงดูไปก่อนแต่ท่านก็ต้องตายก่อนเนีนี่เป็นสันนิมิสามันนะแต่วิสามันเราตายก่อนเพราะปู่ย่าตายายก็อีกเรื่องหนึ่งวิสามันมันก็มีได้แต่ว่าสามันมันก็ต้องปู่ย่าตายายก็ตายก่อนหรือพ่อแม่ก็ต้องตายก่อนลูกเป็นสามันก็ก็ต้องเลี้ยงต้องดูกัน เลียงเสร็จแล้วจบแล้วก็ทําหน้าที่ช่วยถึงแม้ว่าเรามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายก็ตามก็ให้ศึกษาธรรมะพระเจ้าด้วยจะได้เป็นคนไม่เปลืองไม่พลานแล้วเราก็จะได้มีโอกาสสร้างสรรค์แล้วก็แจกจ่ายเจือจานให้แก่สังคมได้เพราะการเป็นโสดจึงเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีบุญหรือมีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่งจึงต้องเป็นโสดนี่เป็นข้อสําคัญมากเลย เป็นตัวสำคัญมากเลยอทีนี้ก็พูดถึงประเด็นเมื่อกี้ที่บอกว่าแล้วเป็นโสดแล้วไม่มีลูกเนี่ยใครจะเลี้ยงดูเมื่อแกล่ะแหนนี่เป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินสังคมทั่วโลกเลยนะสังคมทั่วโลกเลยหวังพึ่งแต่คนสมัยใหม่เนี่ยไปถามพ่อแม่สมัยใหม่เขาดูเถอะเขาว่าจะหวังพึ่งลูกไหมพ่อแม่สมัยใหม่คนไหนเขาบอกอยอย่าไปฝังพึ่งมันยังงลูกเต่า เลี้ยงให้มันรอดมันรักษาตัวมันเองรอดได้กับบุนแล้วถึงอย่างนั้นก็ตามไอ้ลูกเต้าส่วนมากพอเวลารอดมาแล้วเสร็จเป็นไงไปมีลูกไปมีผัวมีเมียแล้วก็ไปมีลูกเป็นครอบครัวของตัวเองพ่อแม่ก็ปล่อยไปปล่อยไ ป, ป, ยไปก็ไปนู่นะ่ะไปหาลูกเต้าลูกเต้าต่อไปไปมีลูกไม่มีผัวไม่มีเมียไปมีต่อต่อกันไปอย่างนั้นนะสลับซับซ้อนไปเรื่อยไป ตอนเดียวนี้พ่อแม่ อ, อกหักกันเยอะแยะลูกเต่ามันไม่เลี้ยงจนสังคมทางตะวันตกก็ดีอเมริกาก็ดีเขาไม่หวังพึงลูกแล้วไม่หวังแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามพยายามที่จะมาสร้างสร้างระบบสังคมมีประกันสังคมมีอนนนี้มีอะไรก็แล้วแต่ว่าไว้เสร็จแล้วไอ้ลูกเอาให้มันเท่าที่ให้ไปอันนี้ของข้าเองไม่ต้องมายุ่งแล้เขาก็มีชีวิตอย่างนั้นเพราะจึงเป็นสภาพที่เรียกว่า ดูดมุมหนึ่งก็ดูดีแต่อีกมุมนึงรู้สึกว่ามันขาดสายสัมพันธ์อันดีสายสัมพันธ์ในที่บอกว่าเป็นพระราดอระพาพมีพี่มีน้องปูย่ย่าตายายมีครอบครัวอยู่กันอย่างมีพฤติกรรมที่เป็นพระราดอนระพาพอาตมาเองเนี่ยเดี๋ยวอาตมาจะรัดๆเข้ามาหาหาหาห า, หาประเด็นประเด็นที่ว่าถ้าอยู่แล้วไม่มีลูกนี่จะมีใครเลี้ยงอาตมาเองทุกวันนี้มีลูกไหม มีเหรอตายละ ว, ว่ะเดี๋ยวทางด้านโนนเทระสมาคมรูน้นี่เอาประราชิกเลยนะเนี่ยอะนะลูกทางจิตปิญญาณนะคำตอบมาว่ามีทีนี้ฟังเพินเินว่าลูกเนี่ยอายาแล้วมีตอนไหนแล้วนี่ก็ไม่ได้แต่งงานนะมามีตอนบวชนี่มัง้งก็เสร็จสิมามีตอนบวชนี่ประราชิกแน่ๆน แต่อัตมามีลูกลูกทางจิตวิญญาณบอกแล้วอัตมาพูดแล้วว่าเมื่อกี้นี้ว่าลูกหรือว่ามีพระราดรนระพาบมีมีความเป็นพี่เป็นน้องมีแฟลทเชนิตี้มีความเป็นพี่เป็นน้อ ง, nity, พ, นนองพระราดรที่อยู่กันอย่างเกื้อกูลกันเลี้ยงดูกันต่อให้คุณเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานแต่ลูกลูกหลานนั้นไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พึ่งไม่ได้ พึ่งพ่อพึอ่งแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็พึ่งลูกไม่ได้ปู่ย่าตายายพึ่งลูกไม่ได้พึ่งหลานไม่ได้หลานพึ่งปู่ย่าตายายไม่ได้พึ่งลูกไม่และพึ่งพ่อแม่ไม่ได้มันไม่มีการพึ่งกัน ไ, ได้อย่างนั้นต่อให้เป็นสายเลือดกันตรงเลยอย่างไรรังไรกี่ชั่วอายุคนก็ตามไม่ใช่พระราดอระพาพไม่ใช่ความเป็นพี่น้องความเป็นพี่น้องหมายความว่า คนเหล่านั้นพึ่งพาอาศัยกันได้เลี้ยงดูกันได้เรียกว่าความเป็นพี่น้องฟังความฟังนิยามตรงนี้ให้ชัดๆความเป็นพี่น้องนั้นคือผู้ที่พึ่งพาอาศัยกันได้เลี้ยงดูกันได้เกื้อกูลกันอยู่ได้อย่างอบุ่นพึ่งเกิดสรุปเป็นภาษาพระก็ว่าพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้นั่นคือความเป็นพี่น้องเพราะถ้าเรารู้จัก คำจำกัดความของความเป็นพี่น้องชัดเจนอย่างนี้แล้วไม่ต้องเป็นสายเลือดใครก็ได้ที่เราพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เกื้อกูลกันได้เลี้ยงดูกันได้เรามีพี่น้องหาได้ไหมน่โอ้โหคำตอบตัวน้อยๆแค่นั้นยังตอบได้เลยสวรรค์เจาะปากมาหรือเปล่าตอบก่อนเลยหาได้ว่ะงั้น หาได้อาตมาหาได้มาถึงวันนี้อาตมาหาหาได้แล้วอาตมาไม่ต้องแต่งงานอาตมาไม่มีลูกทางสายเลือดไม่ได้แต่งงานไม่มีคู่สักมีคู่กัแฟนกันไปอย่างงั้นเองไม่เคยแต่งงานไม่มีคู่เพราะงั้นไม่มีลูกสักคนทางโลกไม่มีทางโลกีทางลูกทางสืบพันธุ์ไม่มีแต่มีลูกเยอะมีลูกเยอะทุกวันนี้มีลูกเยอะอันนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเองนะพระรู้จัาท่านตรัสเอง ว่าคนที่เป็นโพธิสัตว์นี่มีลูกจํานวนพันเป็นอนเนกพันเป็นอนเนกนะอนเนกนี่หมายความว่ามันพัฒนาโพไปเรื่อยๆมากมายฮะอ่าพุทธพพธ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ตั้งตนเป็นคนโสดนี่หลายคนจำได้เลยนะในเนี้ยพวกเราเนี่ยท่องขึ้นใจเลยว่าเตือนสติเลยระวังนะระวังนะท่องท่องได้หลายคนท่องได้ ผู้ตั้งตนเป็นคนโสดเขาเรียกว่าหรือชื่อว่าจะได้จะเขาเรียกว่าบัณฑิตหรือชื่อว่าบัณฑิตหรือเขาเรียกว่าบัณฑิตผู้ตั้งตนเป็นคนโสดเขาเรียกว่าบัณฑิตคนโง่ฝักไฟเมถุนย่อมเศร้าหมองใครอฟังแล้วอาจจะบอกโอ้โหอยู่ในวัดภาษานีมน้มันยังไม่ออกมาจากวัดคนโง่ฟักไฟเมถุนย่อมเศร้าหมองแปลความเป็นไทย คนโง่ต้องแปลไหมต้องแปลไหมฝักไฟต้องแปลไหมเมทุนไม่ต้องแปลด้วยเหรออ่าโอโหเก่งนี่เข้าใจภาษาวัดเลยอ่ะแปลเลยมีคนไมแปลอ่าคนโง่เนี่ยท่านบอกเลยท่านตรัสจริงๆเลยว่าคำว่าคนโง่ไปฝักไฟในเรื่องของคนคู่เมทุนแปลว่าคนคู่แปลว่าเกมของคนคู่แปลว่าเรื่องของการมีคู่ เมตุนแปลว่าคนคู่ไม่อยอมแปลว่าเป็นโสตเมถุนก็คือไม่ใช่โสตแปลอีกในยะหนึ่งเมถุนแปลว่าคนคู่เพราะงั้นคนโง่ไปฝักไฟการเป็นคนคู่ย่อมเศร้าหมองท่านพูดสุภาพมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้สุภาพมากเศร้าหมองมันก็คือมีทุกมีบาปมีเวรมีภัยอยู่ในนั้นและสารพัดสารเพละจะเศร้าหมองเมื่อไรก็เศร้าหมองแล้วเป็นยังไงคนนะ ย่อมเศร้าหมองก็เศร้าหมองอมีคู่นึกว่ามันจะเบิกบานแมันเศร้าหมองฝากไฟในเรื่องรล่านี้นึกว่าจะเบิกบานมันหลอกเราเสมอว่าแหมกระดิกกะดีนึกว่าจะน่าชื่นชมยินดีถูกหลอกถูกลวงไว้มากเสร็จแล้วก็เศร้าหมองนะนี่ก็เป็นอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ไม่ชัดเท่าอันนี้อันนี้ชัดมากนะเนี่ยที่บอกว่าผู้ตั้งตนเป็นคนโสด่ท่านเรียกว่าบัณฑิต ผู้ฝักไฟคนโง่ไม่จะพู้ฝักไฟเท่านั้นท่าบอกคนโง่ฝักไฟเมทุนยอ่อมสมองอันนี้ชัดอีกอันหนึง่งท่านบอกว่าผู้แต่งงานแล้วไม่มีบุตรนั่นก็ถือว่าบุญผู้แต่งงานแล้วไม่มีบุตรก็ถือว่าบุญป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงคนโสดนี่จำนวนเป็นงี้ก็หมายความว่าผู้ที่แต่งงานนี่นะไม่มีลูกนี่เป็นบุญแต่ทุกวันนี้ดินรนจะมีลูกกันเพราะความไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่แน่อัตมาบอกแล้วมีลูกไม่รู้ว่าเราจะกําหนดได้เปล่าว่าลูกจะเป็นลูกพีหรลูกคนมาเกิด น, นะเราก็ไปกําหนดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าพูดใดแต่งงานแล้วก็เอาเถอะมันไม่ต้องแต่งงานก็ว่าไปแต่ถ้าลดละได้ก็ยิ่งดีนะลดละไม่ได้แต่งงานก็เท่านั้นนะ ว, ว่าไปแล้วก็พยายามกันแล้วกันอย่าไปมีลูกนะถ้ามีลูกก็หนักอย่างหลายๆอย่าง เพรป่วยการกล่าวใหญ่ถึงเป็นคนโสดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนโสดท่านก็ยกไว้เลยว่าเยี่ยมกว่ามีบุญกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ไปแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็ถือว่าได้มีบุญพอสมควรแต่สู้โสดไม่ได้สรุปแล้วคนโสดเหนือชั้นกว่าเนี่ยอาตมาเอามาสอดคล้องกันที่มาตั้งหัวเรื่องให้อาตมาพูดว่าเป็นโสดทําไมเอาสิคําตอบสุดท้ายอาตมาก็เป็นคําตอบว่าเป็นโสดทาไมพระพุทธเจ้าสอนอาตมาว่างั้น น่าเอาตีหัวเข้าบ้านเลยเป็นโซดทาไมก็พระพุทธเจ้าสอนอัตมาเคารพพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าอาตมาก็ทําตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าทําตามพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องทําตามให้ถึงที่สุดทําตามให้จกระทั่งว่าเราละเหตุ <H it. S 2> ที่มันจะทําให้เราไม่เป็นโซดหรือแม้เป็นโซด ก, ก็ยังถูกกดดันหรือว่ามันยังลําบากลําบนในการเป็นโซด จะต้องมาลดลากกิเลสมาลดลากอะไรต่ออะไรต่างๆ น, น, ๆนานานะเป็นผู้หญิงถ้าอยากเป็นโสดก็อย่าไปแต่งตัวยั่วยวนผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายอยากจะเป็นโสดก็อย่าไปทำท่าทีลีลายั่วยวนผู้หญิงตามการสืบทอดมันมีอยู่ในทีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดสืบทอดให้มาจยกทั้งถึงทุกวันนี้ยังสืบทอดคุณธรรมสืบทอดสืบทอ ด, ทอดหลักการ สืบทอดสิ่งที่พระเจ้าท่านยืนยันว่าอย่างนี้แหละมนุษย์มีอย่างนี้ดีจนป่านนี้ก็ยังยังมีเชือ้อยังเป็นไปได้แม้มันจะเรียกว่าเจือจางลงมามันไม่เข้มข้นหรือว่าไม่ไม่ชัดเจนมันไม่ดีเท่าสมัยพระพุทธเจ้าก็ตามแต่มันก็ยังใช้ได้ถ้าเราเข้าถึงในจุดสุดยอดของพระเจ้ายังไม่สูญหายไปไหน จุดสุดยอดที่ว่าคุณค่าที่ดีดที่สุดสุดยอดระดับนั้นอย่างไรอย่างไรเช่นคนที่ร ะ, ระดับอรหันต์เป็นต้นเป็นอย่างไรทุกวันนี้พูดถึงได้และพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าโลกไม่ว่างจากพระอร ห, รหันต์หรอกถ้าตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนะหมายความว่าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมของพระเจ้าอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหรันต์ พุทธเตรัสเป็นคําสัตย์อย่างนี้เลยเพราะศึกษาให้ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องที่เรียกว่าชอบเนี่ยชอบแล้วควรแล้วให้มันถูกต้องดีๆแล้วปฏิบัติตามให้เข้าถึงสุดยอดได้เลยไม่มีไม่มีว่างโลไม่ว่างจากพระอาราหันต์หรอกแม้จะเป็นยุค ก, การสมัยที่มันยากแสนยากอย่างทุกวันนี้ก็ตามก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิน ก, กว่าความคํากล่าวของพุทธเจ้าที่ตรัดเอาไว้เป็นเรื่องจริงที่จะทําได้อะ เราก็คิดว่าคงได้ฟังเนื้อหาของเรื่องราวที่อาตมาได้บรรยายจากหัวข้อที่ว่าเป็นโสตทำไมเป็นโสต ด, ดีที่ทำไมก็เพราะว่าถ้าเป็นโสตได้แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าสอดคล้องกับโลกสอดคล้องกับสังคมสอดคล้องไปหมดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษยชาติในโลกด้วย จึงควรจะมาเป็นโซนแต่ก็จะต้องรู้วิธีเป็นโซนถ้าไม่รู้วิธีเป็นโซนมาเป็นโซนโดยอยล ป, ปุบปับไม่เข้าทางเข้าทางก็พังไปไม่รอดเหมือนกันนะอะไรก็คิดว่าคงจะพอสมควรนะได้รับรู้ในสิ่งที่อัตมาคิดว่าเป็นความสําคัญแล้วพยายามอธิบายให้มันง่ายให้พวกเราได้เข้าใจกันมาตามเวลาที่ให้มาก็ขอจบการบรรยายลงแต่เพียงเท่านี้